บ o ๊ก22ยี่สิบสองนิอเซตอนิอเซตเอตูการสนทนาสามบิเซตเอชคูรต ร, รบิเซตเอชูรต ร, รคุณสูบบุหรี่ไหมครับ ีนิันอาพนิทุฮ uh ผมเคยสูบครับมาพูปารพิยมาปรพยแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วพตนี้นุกพีมะพตนี้นุกีมรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่ a s i s e ่ไม่ะพิถุหัน a b d i s e นี่ไมชอบจะพิถุหันไม่เลยครับยอะะอะปพลิทิชยอะมันไม่ได้รบกวนผมครับนุกเบสสดิส น, น, สสนคุณจะดื่มอะไรไหมครับ โดนต็อปปี Danny, ้นิดิ่นดชิคบรนดีไม่ครับนยคอคอนยักไม่ครับผมชอบเบียมากกว่ากมนเคุณเดินทางบ่อยไหมครับ เอาอะดอะโทิชม์นนชมบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจพอเนเันเอรัสเตเวเ ป, ป, ปิร์ตปูนพอเนเธอชุมตันเอรัสเตเวเแต่ตอนนี้เรามาพักรอ้อน เราไปมั้ยพูชีเม่กับทูร้อนอะไรอย่างนี้สวัสดีสวัสดีใช่วันนี้ร้อนจริงๆพอท่านี้เอิชเมตเวอร์เทตอันเซข์พอท่านี้เอิชเตเมตเราไปที่ระเบียงกันเอ อดาลิมนบัลคอนพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ค er er คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับตครับ พวกเราได้รับเชิญด้วยพ่อเอเดนเน่เยมิทัวร์พ่อเอเดนเน่เยมิทัวร์